ห้าสิบกรินเดกที่สระว่ายน้ำอัลลนาเจยวันนี้อากาศร้อนบารเมกาสฮอดีเอเราไปสระว่ายน้ำกันไหมชุนิเอรูอัลลานาเจย คุณอยากไปไว่ายน้ำไหมชูวเอมสอิรินาจิคุณมีผ้าเช็ดตัวไหมชูวฮาบัสบันทูกอนคุณมีกางเกงว่ายน้ำไหมชูวิฮาบัสบนอนอนัน卡尔ซนคุณมีชุดว่ายน้ำไหมชูวฮาบัสบันคอสตูมน คุณว่ายน้ำได้ไหมชูวิสซิปอัสนาจิคุณดำน้ำเป็นไหมชูวิสซิปอัสพลอนจิคุณกระโดดในน้ำเป็นไหมชูวิสซิปอบัสแอนักฟอนซลติอาบน้ำได้ที่ไหนคีเอสตาสลาดูเชีย ο? ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ที่ไหนที่เอสตาสลาเวสต์ชันเจีวเวนตาว่ายน้าอยู่ที่ไหนที่เอสตาสลานาชอคูลวีตรอยน้าลึกไหมชุลอควอเอสตาสโปรฟุนดาน้าสะอาดไหมชุลอาควอเอสตาสพูรา น้ำอุ่นไหมชูละอาควเอสตัสวาร์มาดิฉันหนาวมากมีฟรอสติเจอสน้ำเย็นเกินไปลาอาควอโทรมาลวาร์มาสดิฉันจะขึ้นจากน้ำแล้วมีนุนเอลาควิเจอส